ขอน้อบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัย โ, าโาายสสา้าการหลวงพรกลมอาจารย์ทรงศิลเพื่อนสัตยมิก ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีระยะธรรมทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในพระศาสนาถือวันวิสาขบูชา วันนี้นอกจากาุงในเมืองไทยแล้วเนี่ยที่มีความสําคัญแล้วก็ยังถือว่าเป็นวันสําคัญของโลกลก็เรียกว่าวีสักเดย์นะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติก็ได้ให้การรับรองในการเป็นวันวีสักเดย์นี้ก็คือชาวพุทธทั่วโลกนะก็มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกนะแล้วก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของหลายๆประเทศนะ เพราะว่าเป็นวันที่มหาบุุษ อ, องค์หนึ่งนะที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้นะแล้วก็เป็นการเผยแร่ธรรมเพื่อนำอความสุข น, นำแต่ความที่ไม่เบียดเบียนกัน น, นำหนทา ง, งความมุนทุกผู้ใดปฏิบัติตามในหนทางนี้ก็จะประสบแต่ความสุขปราจากทุกอย่างแท้จริงนะ กนะ็เลยตั้งให้วันนี้มีความสําคัญไปอย่างยิ่งนะซึ่งชาวพุทธทั่วโลกก็ได้ทําการเฉลิมฉลองกันในวันนี้เนาะเพราะว่าเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัตตุรูและปณิลิพานอขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนหกนะเสวยวิสาขะเลิกเนี่ยเป็นสิ่งที่มาศจรรั์ของโลกอย่างหนึ่งนะ แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึ่นคือว่าเป็นพระสัตดาที่สามารถตัูโดยพระองค์เองซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ก็มาจากอสามัญชนนี่แหละไม่ได้เป็นพระเจ้าอะไรมาก่อนนะแต่ว่าด้ยได้ค้นพบทางหนทางนี้ว่าเมื่อผู้ใดที่เดินตามทางนี้แล้วผู้นั้นก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ทุกคน นะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะของพุทศาสนานะแล้วก็จริงๆแล้วในทั่วโลกนี้มีสงครามศาสนาต่างๆมากมายนะแต่ว่าไม่เคยมีนะสงครามเกี่ยวกับศาสนาเลยนะเพราะว่าหนทางของพุทธนี้เป็นหนทางที่สันติสงบและหิงสาอย่างแท้จริงเนาะคราวนี้เมื่อย้อนหลังไปเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนนะก็ เป็นการถือกำเนิดขึ้นมาของเจ้าชายศิลฐ t ในวันเพ็ญเดือนหกนี่แหละได้ถือกำเนิดที่สวนลุมพินีวันเนื่องจากว่าพระมารดาคือพระนางศิลิมหามายานี่ก็ใกล้จะประสูติแล้วเนี่ยาตามลมพนินีของอินเดียก็จะไปประสูติที่เมืองแม่นั่นก็คือเมืองที่พนางได้ทรงเกิดในสมัยก่อนนี่เป็นลุมพินีของอินเดียสมัยก่อน ก็ได้เดินทางไปที่กรุงเทวทหะแต่ในระหว่างทางก็ไปถึงสวนลุมพินีวันอก็ได้เวลาเหมือนกับว่าจะทรงประสูตรในที่นั้นก็ส่งประสูตรออกมาเนาะแล้วก็ตามประวัติก็มีเหมือนกับว่าเป็นความอัศจรรย์ที่ว่าสามารถเมื่อประสูตรแล้วเนะี่ยทารกก็สามารถเดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็มีดอกบัวขึ้นมารองรับด้วย วันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นความมหัศจรรย์นในยุคในสมัยนั้นนะซึ่งพวกเราสมัยนี้ก็ควรจะน้อมรับเอาไว้นะว่าสิ่งมหัศจรรย์ก็มีอยู่ได้จริงนะหลังจากที่ทรงประสูตจแล้วนะก็มีมหาฤาษีนะหรือพาราม์ผู้รู้ต่างๆนะก็มา ท, ทํานายทายทักนะทารกน้อยผู้นี้นะ ว่าต่อไปนอนาคตนะก็จะเป็นอผู้ยิ่งใหญ่นะอก็คือออาจจะเป็นจกักรพรรดิของโลกหรือถ้าไม่เป็นจกักรพรรดิก็จะเป็นออ่พระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ามีอผู้พรมหนุ่มผู้หนึ่งนะก็ได้ทํานายไว้ว่าอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนะ าพามนั้นนะก็ต่อมาก็เป็นพระกนธัญญานั่นเองนะหลังจากนั้นนะก็ที่ได้ทรงได้าพามได้ทำนายไว้เช่นนั้นนะพระบิดาคือพระสุโธธนะก็อยากจะให้นะพระอุรสนะเป็นพระจกักรพรรดิมากกว่านะก็เลยทรงนะมีการให้การศึกษาต่างๆในทั้งโลกมากมายนะสร้างภาษาสามฤ ด, ดูนะ แล้วก็ให้ศึกษาในศิลปะทั้ง18อย่างจนสำเร็จแล้วก็ให้ได้ต่อมาก็ได้ให้ทรงอภิเศษสมรสกับพระนางพิมพานะให้มีความสูงต่างมากมายนะแล้วก็จนกระทั่งตอนหลังก็มีพระราชโอรสเหมือนกันนะคือพระราหุล แต่ในก่อนที่ว่าจะเกิดพระลาหูนั้นนะก็ด้วยปัญญาที่พระเจ้าหรือว่าเจ้าชายเสือทาในสมัยนั้นได้สร้างสมบรมีมาถึงสี่สงไข่กับแสนมากับตั้งแต่สมัยที่เป็นสุมเมธดาบทนะก็สมัยนั้นที่นะก่อนที่จะมาเสวยพระชาติมานะเป็นในชาติปัจจุบันนี้นะก็ได้ทรงสร้างบารมีมามากมายแล้วนะนะับตั้งแต่ชาติที่เป็นสุมเมธดาบทนั้น เมื่อได้เห็นพระเจ้าในสมัยอดีตในยุคนั้นจะเดินทางมานะก็ได้อทอดล่างเป็นสะพานนะเพราะว่ามีพื้นที่ที่แฉะอยู่นะให้พระเจ้าในเดินข้ามไปนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งพยากรณ์ไว้ว่าต่อไปสุมเมธาดาบทนี้ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาะคตการนะโดยคําตัดที่พยากรณ์ของพระเจ้านั้นนะก็เป็น สิ่งหนึ่งที่พระที่สุมเมธาดาบทได้ปัสนาไว้ในยุคนั้นนะก็ได้สร้างบารมีมาถึงยาวนานนะจนก็ดังได้มาเกิดเป็นเจ้าชาสุดทาในปัจจุบันนี้นั่นแหละนะอันนี้จึงไม่ใช่ว่าเป็นเหตุ ธ, ธรรมดาแต่ว่าการที่ได้นะตักรูนะ้ก็มาจากเหตุที่ได้เคยสร้างไว้ยาวนานแล้ว ด้วยปัญญาที่ได้ทรงสร้างมาอยา่างยาวนานนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่ออยู่ในพระราชวังแล้วมีความสุขมีสิ่งต่างมากมายมีพระมเหสีที่งดงามนะก็จะไปหลงไหลในตรงนั้นก็ไม่ใช่นะแต่ว่าทรงมีปัญญานะพิจ่จะเพนพิจารณาไปตามความเป็นจริงนะในสุดก็ทรงเกิดนิมิตทั้งสี่ขึ้นมานะปรากฏขึ้น นะก็คือหเห็นความแก่ความเจ็บความตายนะแล้วก็นักบวชทรงได้เห็นในสิ่งเหล่านี้ได้นะว่าเออสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นความทุกขนะ์นะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นความทุกข์และหนทางที่ออกจากความทุกข์ได้ก็คือการเป็นนักบวชนั่นเองนะก็ทรงเห็นในสิ่งเหล่านี้มาแล้วะ ดังนั้นเมื่อเกิดเจ้าชายลาหุนขึ้นมาในวันนั้นนะก็ได้เห็นว่าเออตรงนี้นะก็คือห่วงเกิดขึ้นแล้วนะพระลาหุนนั้นก็แปลว่าห่วงนั่นเองนะแต่ว่าด้วยนะความที่บารมีที่สร้างมามากมายนะก็เลยตัดสินใจนะในการที่จะออกไปเที่ยวคนคว้าหาความจริงนะหาทางออกจากความทุกข์ นี้เป็นความที่ตัดสินใจที่เด็ดขาดนะเพราะว่าตอนนั้นคนที่อยู่กับสิ่งที่มีความสุขทั้งมีภรรยาที่สวยงามทั้งมีลูกชายที่เพิ่งเกิดใหม่นะรวมทั้งทรัพย์สมบัติทรัพย์สินคา้าต่างๆในระดับนั้นเป็นความสุขในทางโลกที่ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ก็ต้องสล ะ, ะด้วยความนึงหรือว่า มีจิตใจเด็ดขาดสละออกมาทุกอย่างนะมากลายเป็นผู้พิขาดานนะต้องถือนะบาตรนะเดินไปตามนะที่ต่างๆเพื่อขออาหารนะในสถานที่ที่ไม่มีที่มุงบังทีนะ่ปลอดภัยและก็มีความสุขเหมือนในพระราชวังนะนี่ต้องถือว่ามีจิตใจทีนะ่เด็ดขาดมากนะที่ผู้ใดในโลกจะสนใจเช่นนี้ตั้งหนึ่งคนนะ พระองค์ก็ได้ทรงตัดสินใจแล้วว่าต้องหาทางออกไปศึกษาคนคว่าที่จะหาทางดับทุกขนี้คือความแก่ความเจ็บความตายนี้ให้ได้นะหลังจากนั้นก็ทรงออกไปศึกษาค้นคว้านะแล้วก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายหลายองค์จนทางในตอนหลังก็มาศึกษากับอาลาระดาบทและอุทกดาบทนะ ได้ศึกษาจนได้บรรลุถึงรูปฌานก็คือฌานที่สูงสุดในฝ่ายรูปฌานและรูปฌานคือฝ่ายที่สูงสุดในรูปฌานแล้วซึ่งอันนี้ก็ถือว่าที่สุดของฝ่ายสมาธิต่างๆแต่ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ทรงศึกษาเพียงไม่นานก็ทาง อาจารย์ก็บอกว่าเออสําเร็จแล้วนะก็จะให้ตั้งให้เป็นครูบาอาจารย์แทนนะให้ช่วยกันสอนสิทธ์ต่อไปนะแต่ด้วยความที่ทงได้ทรงมีปัญญามามากแล้วว่าเออตรงนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่ทางคนทุกข์อยู่ดีเพราะว่าทรงสังเกตได้ว่าก็ยังมีความทุกข์อยู่นะแล้วจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ว่ายังมีตัวมีตนอยู่นะก็เพราะว่ า, าเมื่อ ตรงนั้นก็คือยังมีตัวมีตนนะในการที่ว่าจะไปเสวยความสุขอยู่ในพรมโลกนะก็คือยังมีอธรรมันในตรงนั้นที่จะเป็ดเสวยความสุขอยู่ก็ไม่ใช่การที่จะละจากตัวตนที่แท้จริงนะเพราะตราบใดที่มีตัวตนอยู่นะแม้ว่าไปเสวยความสุขอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนนะว่าความเป็นตัวตนนั้นก็จะต้องไปเสวยความทุกข์ต่อไป นนี่ก็คือปัญญาที่พระองค์ในทรงมองเห็นในขณะนั้นเมื่อได้ศึกษาตัาง้งสถานที่สํานักต่างๆในยุคนั้นมากมายแล้วก็เห็นว่ามันยังไม่ใช่หนทางความพ้นทุกข์ก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะมาศึกษาคนกว้าได้ตัวพระองค์เองนะก็เลยใช้วิธีต่างๆนะในการทรมานตนเองบ้างนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้ นะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นก็จะใช้วิธีเช่นนี้กันเป็นมากมายนะเพราะว่าการทรมานตนเองนั้นเหมือนกับเป็นการทรมานให้กิเลสนั้นหมดไปนะทำให้ตัวเองมีความทุกข์ต่างๆก็เพื่อที่จะชําระกิเลสได้ในสถานที่หนึ่งเหมือนกันนะก็เลยใช้วิธีต่างๆนะเช่นบางทีก็ใช้ลิ้นดันเพดานปากต่างๆเราเนี่ยเป็นวิธีการทรมานต่างๆในสมัยนั้นนะซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้บอกทรงบอกว่า ที่ทรมานตนเองนั้นนะเพรคงก็ทำมาทุกวิถีทางแล้วจนกระทั่งสลบไปถึง6กครั้งนะคงยังไม่มีใครทรมานได้ขนาดนั้นนะต่อมาก็ใช้วิธีการอนะ ด, ดอาหารนะเป็นเวลาถึงสี่สิบเ้าวันนะแม้แต่สมัยนั้นก็ยังมีปัญญวคธีซึ่งนะติดตามมาโดยโกนะนทัญญะพามโกนทัญญะนั่นแหละได้ชักชวนนะผู้อื่นอีก สี่คนซึ่งเป็นลูกชายของพราหมณ์ที่มาทํานายผู้เจ้าในสมัยนั้นซึ่งตอนนั้นพราหมณ์ที่ทํานายก็อายุมากแล้วนะก็ได้ชวนลูกชายของพราหมณ์อีกสี่คนมาว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเจ้าชายสทธาเนี่ยต้องบรรลุเป็นผู้เจ้าแน่นอนนะก็เลยชวนกันมาดูแลบารุงรักษาในขณะนั้นก็เกิดความเลื่อมใสเออตอนนี้เจ้าชายสุดานี้นะมาแต่ บ, บวชแล้วเนี่ก็ บำเพ็ญนะทุกริยาโดยการอดอาหารนานขนาดนี้ต้องบรรลุเป็นพระพิจ้าแน่นอนนะการที่อดอาหารนั้นนะก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะทําลายกิเลสได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทําให้กิเลสหมดไปเพียงแต่ทาให้เขาอ่อนแรงเท่านั้นเองนะเมื่อร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงก็กิเลสก็ย่อมจะระงับไปได้ระดับหนึ่งนะ ปัญหาต่งางๆก็น้อยลงแต่ก็ไม่ใช่การดับของกิเลสเพียงแต่ให้เขาได้เบาลงนะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะเมื่อทรงเห็นเช่นนั้นนะก็ว่าเป็นทางที่มันตึงเกินไปนะเพราะการอดอาหารนี้มันไม่ได้ทําให้เกิดเป็นยาอะไรขึ้นมาเพียงแต่ว่าทําให้ตัญหาหรือกิเลสนั้นแค่เบาบางลงไปเท่านั้นเองแค่เหมือนกับเขายอมสยบตัวนะในสุดก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุก์ นะเพราะมันเป็นทางตึงนะส่วนขนทางเหตุผลทางหนึ่งก็คือความสุขสนุกสนานต่างๆก็ไม่ใช่ทางผลทุกเหมือนกันนะเพราะว่านั้นเป็นทางหย่อนไปนะเพราะนั้นอะไรก็คือทางสายกลางนะในสุดก็ทรงกลับมาที่นะการที่จะรับประทานอาหารใหม่นะเพื่อที่จะนะให้ร่างกายมีกําลังนะเพิ่มมากขึ้นนะจะได้มีกําลังในการพิจารณาธรรมได้ง่ายขึ้น หลังนั้นก็กลับมารับประทานอาหารอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ปัญญวัคีก็เห็นแล้วว่าอันนี้นก็เจ้าชายสือานนี้คงจะไม่มีทางบรรลุเป็นพระผู้เจ้าแน่นอนนะเพราะว่ากลับมาเป็นผู้ที่มากหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะมาทานอาหารนี้ไม่ถูกต้องนะก็เลยหนีไปนะแต่จากการที่ปัญญวัคีได้หนีไปนั้นกลับเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่า ขณะนั้นนะก็จะได้มีความสงบมากขึ้นนะแล้วต่อมานะนะนางสุชาดานะก็เคยบนเอาไว้นะในการที่จะคลอดลูกนะมีลูกชายนะต่อมาก็เกิดได้ลูกชายขึ้นมาจริงๆนะก็เคยบนบานเทวดาไว้แล้วว่าจะทำบุญนะ ในช้าวันนั้นก็ปรากฏว่าคนใช้ของนางสุชาดาก็ได้มาพบอ่พระพเจ้าอาในตอนนั้นที่ยังไม่ตัดสรู้นั่นแหละได้นั่งอยู่โคนต้นไม้นะก็เข้าใจว่าเป็นเทวดานะก็เลยไปแจ้งนางสุชาดานางสุชาดาก็ดีใจก็เลยนําอาหารก็คือข้ามทุปตายายาใส่ถาดทองเอามาถวายอาให้แก่เจ้าชายสืบถาในขณะนั้นนะครับได้ทรงเสวยพระทหารนั้น แล้วก็ไปที่ริ ม, มน้ําในรันชลาไปเสี่ยงทายว่าถ้าหากว่าจะได้บรรลุเป็นอ่าพุทเจ้าแล้วก็ขอให้ถาดทองนั้นลอยทวนน้าขึ้นไปก็บอกว่าถาดถาดทองนั้นก็ลอยทว น, น้ําขึ้นไปจริงๆนะแล้วก็จมอยู่ใต้ก้นแม่น้ำในในรันชลานะครันนี้ก็ต่อมาก็มีการอ่า นําเอานิมิตในการนิถาทองลอยทวนน้าขึ้นไปนั้นก็มาตีเป็นในลักษณะของการที่ว่าการทวนกินเลสขึ้นไปนั่นเองนะเมื่อมีการทวนกินเลสขึ้นไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ามีการนํามาตีความในภายหลังนะหลังนั้นก็ได้ทรงมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะว่าจะต้องบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ แล้วต่อมาก็ได้ทรงมีผู้ถวายยาคามานะแล้วก็นำมาปูที่ใต้ต้นพระสีมหาโพแล้วก็ได้ทรงตั้งจิตนะในการที่จะบำเพ็ญในค่ำคืนวันนั้นนะคือคืนวันเพ็ญเดือนหกหรือตรงกับวันนี้นั่นแหละว่าถ้าหากว่าเลือดและเนื้อใ น, ในกายของเราแม้จะเกิดแห้งจนหมดสิ้นไปแล้ว ตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะไม่ยอมทิ้งความเพียรเช่นนั้นนะเพราะว่าก็คือยอมตายนั่นเองนะแล้วในยามแรกก็ได้นะใช้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นเครื่องนะเครื่องอยู่ของจิตนะในการที่ทำให้จิตเกิดความสงบนิ่งนะแล้วก็พิจารณาไปนะในยามแรกก็ได้ทรงบรรลุ อุเพนิวาสานุสติยานคือยานเป็นเครื่องอย่างรู้ในอดีตต่างๆนะไปชมในอดีตชาติที่ได้เคยนะเกิดเป็นนะอยู่ในภพภูมิต่างๆนะไม่ว่าจะเคยเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมนะเป็นสตรีชานต่างๆมากมายนะหรือเคยแม้แต่เคยเกิดนะในนรกกนะ็สามารถที่จะรู้เห็นได้นะบางชาติก็เกิดเป็นกษัตนะริย์ร่ํารวยนะเป็น พ่อค้าต่างๆนะบางชาติก็ยากจนนะบางชาตินะก็เป็นสัตว์เดชชาตต่างๆนะเป็นช้างบ้างนะเป็นนกนะเป็นกวางนะเป็นปลานะนะเป็นสัตว์ต่างๆมากมายนะจนจิตนะเข้าใจนะถึงการเวียนว่ายตายเกิดที่อ่านะไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายเป็นอย่างยิ่งนะ ต่อมาในยามที่สองก็บรรลุจุดตูปารยานคือยานเป็นเหตุให้เครื่องรู้ว่ากรรมบนใดที่นำให้ไปเกิดเป็นอยู่ในภพภูมิต่างๆเหล่านั้นนะกรรมบนไดนํานำให้เป็นเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นคนร่ำรวยหรือเป็นสัตว์เลีชานรลอไปเกิดในนรกในทะรงเห็นกรรมต่างๆเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาที่นาให้ไปเกิดนะใน พบปู้่มต่างๆเหมือนกับการดำผูดดำไหว้ของปลาต่างๆเหล่านั้นจนเข้าใจในความที่ว่าคนเรามีความเวียนไหตายเกิดไม่มีที่ซึ้นตุดก็เกิดจากกรรมต่างๆเหล่านั้นชักนํานั่นเองและจะทรงรู้สาเหตุของกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ต่อมานะแล้วก็ในายามที่สามก็ได้ทรงบรรลุอสวรค์ย า, ยานก็คือยานเป็นเครื่องอย่างรู้ จนทำให้อสาาวะคก็คือกิเลสในใจนั้นขาดศูนย์ดับไปนะโดยทรงพิจารณาปฏิจจสมบาทิไรเลยสัตตสนะีเมื่อได้ทรงเข้าใจในธรรมเหล่านี้แล้วก็บรรลุเป็นพระัสมาสัมพุตเจ้าไริยสัตสีก็คือทุกข์นะทุกข์นี่ต่อมาก็ได้ทรงบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะแล้วดตรงเห็นถึงสมุทัย คือสาเหตุแห่งการเกิดทุกขนะ์ก็เกิดจากตัณหานั่นเองนะก็คื อ, อการมตัณหาภาว่าตัณหาและวิภาวตัณหาได้ทรงพบนะความดับทุกข์คือนิโรธนะและได้ทรงพบหนทางที่บรรลุเพื่อความดับทุกข์เหล่านั้นคือมรรคมโยงแปดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าต่อมาอก็ได้เป็นหลักสําคัญในการเผยแผ่ธรรมต่อมาคือ อาเรศสีนั่นเองนะผู้ใดปฏิบัติตามอาเรศสีนี้ก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็คือทุกเป็นสิ่งต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละนิโรธเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งต้องทําให้เกิด น, นักทรงพิจารณาไปในหนทางต่างๆที่ทําให้มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คือไปฏิดจสมุบาสนะ ก็เริ่มจากวิชานะก็คือสิ่งต่างในปฏิจจสมบาติก็คือเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันว่าสิ่งหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งหนึ่งตามมานะเป็นลูกโซ่คล้องกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการที่จะดับซึ่งนะความทุกข์นั้นก็คือต้องดับไปที่ต้นนะต้นขั้วก่อนก็คือวิชาก่อนนะได้ทรงพิจารณาในการที่ว่าวิชานั้นนะเป็นปัจจัยนะให้เกิดสังขาร สังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะก็คืออานะทั้งหกสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดพัสสาวะพัสสาะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะ ทุกขะทมณสุปาญาสาติต่างๆตามมามากมายนะเพราะฉนั้นทุกนะก็เกิดจากนะการที่มีภพมีชาตินั่นแหละนะแล้วก็ทรงพิจรณาย้อนกลับไปกลับมาเช่นนี้นะจนเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วนะสังสารวัตนั้นเกิดจากอะไรนะสังสารวัตก็คือสังสารวัตภายนอกนะในการเวียนว่ายตายเกิดนะของนะสรสรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งสังสารวัตรในใจด้วย ซึ่งปฏิจจสมบาทนี่ก็รวมกันทั้งภายนอกและภายในนะเมื่อดับภายในได้ภายนอกก็จะดับนะก็คือเมื่อดับอ่าอวิชชาซึ่งเป็นต้นเหตุได้แล้วนะสังสารวัตก็จะดับไปในตัวก็คือไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ซึ่งปฏิจจสมบาทนี่ก็มีความสําคัญมากนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะรู้สาเหตุของการเกิดทุกข์และการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะ เพราะว่าวิชาก็คือความไม่รู้นั่นเองนะต่อมาวิชาก็คือถ้าหากว่าความไม่รู้นั้นจริงๆแล้วนะมีอยู่มากมายแต่ว่าอาจจะสรุปได้ว่าก็คือการไม่รู้ในอริสัตสี่นั่นเองนะเมื่อเกิดวิชานแล้วนยก็จะเป็นเหตุให้เกิดสังขารวิญญาณนะก็คือความปรุงแต่งนะวิญญาณ น, นะก็คือการที่รับรู้ต่างๆนะแล้วก็เกิดน า, นามรูปนะก็คือ มีตัวตนตามมานะเพราะเมื่อมีการรับรู้แล้วตัวตนก็จะเกิดตามมาเมื่อไม่เกิดการรับรู้ตัวตนมันก็ไม่มีนะเมื่อเกิดตัวตนนามรูปแล้วก็เกิดสลายอวัยวะก็คืออวัยวะทั้งหก็คือตาหูจมลิ้นกายใจซึ่งเป็นอวัตนะภายใ น, นเมื่อกระทบกับอวัตนะภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงผดถพาพธรรมลมแล้วก็จะเกิดความเวทนาตามมาก็คือความยินดียร้าย นะหรือเฉยๆนะเมื่อเกิดเวทนานะเช่นมีความยินดีเกิดขึ้นมาก็จะเกิดตัณหานะตัณหาคือความที่เรียกว่าทยานอยากนะในเสียงต่างเหล่านั้นที่ได้ประสบในรูปรสกลิ่นเสียงพลทพธรรมลมตามมานะก็คือเกิดนะความยินดีเกิดความพอใจจนทั้งเกิดเป็นตัณหานะก็คือกามตัณหานั่นเองนะความที่ใจลิ่นหลน กระสับกรสายไปในความยินดีนและยินไายนั้นจึงไปตัณหาเนะมื่อเกิดตัณหาแล้วก็จะเกิดการอวยทานนะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นอนะที่ได้กระทบในอายนะทั้งหกนะความยึดมั่นนั้นนะก็จะเกิดให้นําให้เกิดภพนะเกิดชาตินะก็คือนะหลังนั้นนะก็มีความเป็นตัวอนะก็คือความที่เรียกว่าการเกิดนั่นเองนะ การเกิดนั้นเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นสัตว์เดี้ยฉ้านต่างๆเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปตเป็นสุนกาย์ก็คือตรงนี้นะถ้าเทียบกันในใจนะเมื่อเมื่อเรากระทบแล้วนะเกิดความโกรธขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นนรกนั่นเองนะเกิดขึ้นมามีความยินดีก็ไม่เป็นเทวดานั่นเองนะนี่ก็คือการที่เกิดในฝ่ายจิตใจนะ ตรงนี้ถ้าเป็นอุบทานคนเรายังละกิเลสไม่ได้นะยังมีกิเลสในใจของเราอยู่แม้แต่เพียงเล็กน้อยนะก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ในสารเด็ดภูมินั้นเองนะเผ่า อ, อุบทานนี้เป็นตัวให้นําให้เกิดไปเกิดใหม่นะเป็นความที่เรียกว่าเป็นความยินดีนะพอใจในยินดีหรือในยินร้ายเหล่านั้นนะมันจึะเป็นอุบทานเป็นเชื้อของกิเลสอยู่นะเหมือนกับคนเรานะมีเชื้อในใจนะมันก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเหนะมือนกับ ต้นไม้ที่สูงใหญ่นะก็เกิดจากมเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวไม่มีเชื้ออยู่ตกไปในพื้นดินที่ดมสมบูรณ์ก็สามารถเป็นเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดจิตที่ยังมีประทานอยู่ก็สามารถไปเวียนว่ายตายเกิดได้ฉันนั้นนะอันนี้ก็เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็จะมีะชราาความแก่นะแล้วก็มีความตายตามมานะ เมื่อการเกิดขึ้นมาแล้วนะก็จะหนีไม่พ้นาจากความทุกข์ต่างๆนะความทุกข์ประจําสังขารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะในสังสารวัตนั่นเองในจิตใจเรานะวันๆหนึงก็มีแต่ความทุกข์ความสุขกล่ําไปนี่คือเวียนว่ายตายเกิดในจิตใจเรานะเพราะในวัฏสงสารก็เหมือนกันนะเกิดมาแล้วเป็นเทวดาก็ไม่ใช่ไปเป็นความสุขนะในสุดในสุดก็จะบทบุญเหล่านั้นก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นสนัตว์เลี้ยงางเป็นมนุษย์นะต่างๆวนไปงี้อีกไม่มีที่สิ้นสุด นะเพรา ะ, ะนั้นการเกิดทุกข้าวก็จึงเป็นทุกล้าไปนะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะเพรา ะ, ะนั้นเมื่อทรงพริจารณาไปในสิ่งเหล่านั้นแล้วนะจิตก็เลยเข้าใจในการที่เป็นวงจรของเหตุของปัจจัยนะในการที่จะนําให้เรามีความไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะในจิตใจของเราซึ่งเป็นความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรานะหรือเมื่อ็นเป็นเช่นนั้นแล้ว นะเมื่อมีความทุกข์อยู่ในใจเราก็ต้องนําให้ไปเกิดนะในสังสารวัตไม่มีที่สิ้นสุดนะจนกระทั่งเห็นเห็นที่นําให้เกิดความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะก็คือมรรคมีองแปดนี่แหละเป็นความดับทุกข์ได้นะเพราะเมื่อผู้ใดจเจริญในมรรคมีองคแดแล้วนะก็จะเข้าดึงนิโรธซึ่งเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงนะเป็นสิ่งที่เราทําให้แจ้งเราไม่ต้องทํานิโรธให้เกิดนะแต่เราทําให้แจ้งเท่านั้นเองเพราะว่านิโรธนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว นะเมื่อเราถึงสภาวะนี้โลดก็คือความดับทุกได้แล้วภนะพวชายก็จะดับไปด้วยเช่นกันนะในจากการที่ได้ทรงตัดสูตเช่นนี้ล่ะก็เลยบรรลุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขึ้นมานะหลังจากที่ได้ทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วนะก็เลยทรงระลึกว่ า, าจะไปโปรดผู้ใดดนะีผู้ที่อยู่ในข่ายแรกๆ ก, ก, ก, ก็คืออาราทธดาบทและอุทกดาบ ท, าบทนะแต่ว่าก็ได้ทรงทราบแล้วว่าเพึ่งจะถึงแก่มองหน้าภาพเมองไม่นานนี่เอง นะหลังนั้นก็ได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะรับฟังธรรมนี้ต่อมาก็คือปัญยวคีซึ่งอยู่ที่ป่าอิสิปณัตมลีกไทยวันนะก็เลยส่งเดินทางไปแล้วก็ได้ส่งแสดงธรรมจักกับพระนสูตรนะเมื่อแสดงแล้วนะพระอัญญากลัญญาเป็นผู้คนแรกที่ได้เห็นความจริงในความที่เรียกว่ายังกินจิสมุททยธรร ม, มัง สัพพันตังนิโรธถ้ามันติก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งกวุมย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะเมื่อเข้าใจในสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะต่อมาอ่ปอัญจคีโองค์อื่นทั้งสี่ก็ค่อยๆบรรลุเป็นพระโสดาบันกันหมดะแต่ยังไม่มีผู้ใดบรรลุเป็นพระละหันต่อเมื่อพระเจ้าจได้ทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตระให้ได้ฟังกันว่า มีใจความโดยย่ อ, อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรเหลือตามคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้ายข้าหลังนั้นก็ทรงแยกแยะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นนัตาอย่างไรในที่สุดปยอคีก็บรรลุเป็นพระรหันต์ทั้งหมดล้วต่อมาก็ได้ทรงแสดงธรทำไปให้กลุ่มต่างๆฟังนะเช่นกลุ่มพัทยากุมารนะกุมารทั้งสามสิบแล้วต่อมาก็ได้ทรงแสงแดงให้กลุ่มาชาดินนะก็คือชาินสารพี่น้องนะก็มีอุรุเวนกัสปะ นาทีกสประรยขยากสปตนะซึ่งมีบริวารทั้งหมดรวมกันหนึ่งพันะโดยแสดงอาทิตย์นะปริยายาสูตรนะว่าอายานาทั้งหมก็คือเป็นของร้อนทั้งหมดนะไม่ว่าอะไรก็ร้อนทั้งหมดนะที่ร้อนรุ่มต่างๆก็คือจิตใจของเรานั่นแหละนะความร้อนรุ่มต่างๆเหล่านั้นก็อาศัยธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงนั้นก็จะดับนะความร้อนในอายรนาทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยได้ นะเพราะความร้อนก็เกิดจากใจของเราเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากไฟไม่ได้เกิดจากราคาต่างๆแต่เกิดจากใจของเราที่มันร้อนนะเมื่อเราดับไฟนี่ได้ราคาก็จะดับไปด้วยนะราคาไม่ใช่เป็นความร้อนแต่ว่าเมื่อดับไฟในใจเราแล้วราคาก็จะดับไปนะเมื่อฉดินซึ่งเคยบูชาไฟมาก่อนได้ฟังธรรมะที่ตรงกับนะที่ด้วงเคยบูชาก็เกิดความเข้าใจแลนะก็เป็นบรรลุผ้าหลานทั้งหมดเลยนะ หลังนั้นก็ได้ทรงเดินทางไปที่กรุงราชคฤห์แสดงให้แก่แสดงทมเผยแพร่ไปนะสู่ในแคว้นมคธนะหลังนั้นก็เผยแร่ธรรมไปทุกทุกแคว้นนะจนกระทั่งพุทธนานี้นะมีความะจะเจริญรุ่งเรืองในยุคอินเดียในยุคนั้นนะซึ่งในยุคนั้นนะเจ้ก็จะมีะครูบาอาจารย์ อ่าซึ่งเป็นเจ้าลทิต่างๆมากมายแต่ว่าด้วยความโดดเด่นนะในพุทธศาสนาซึ่งเป็นความจริงหรือว่าเป็นอริยสัจนะหรือว่าเป็นศยธรรมนี้ก็สามารถที่จะชนะเจ้าสํานักต่างได้นะจนกระทั่งพระราชาต่างๆก็ได้ยอมรับพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาประจำในเมืองของตัวเอง นะเผยแพร่ไปทั่วทั้งอินเดียนะในที่สุดนะหลังจากที่ได้ทรงสถาบนาพุทธนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงในชมพูทวีปแล้วนะก็ได้เวลาที่พระเจ้าจะได้ทรงอดับคันปณิพนิพานอาก็เลยทรงพิจารณาว่าควรจะดับคันปณิพนิพานที่ไหนดนะีในที่สุดก็ได้ทรงเห็นว่ า, าที่กรุงกุสิตารา น, นีเป็นสถานที่ที่เหมาะสม นะเพราะว่าแม้แต่ในปรจบันจะเป็นเมืองเล็กแต่ในอดีต ก, ก็เคยรุ่งเรือมาก่อนนะแล้วก็มีมีกษัตริย์ซึ่งไม่มีอำนาจมากคลนะองอยู่ตรงนี้ทรงเห็นการไกลนะถ้ากษัตริย์ที่มีอำนาจมากแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระสริระแล้วเนี่ยก็จะมีการแย่งชิงกันนะถ้ากษัตริย์ที่มีอำนาจก็จะไม่ยอมให้ประเทศอื่นมามารับ พระทาตพร่มลมตัเล็กธาตุไปก็จะอาจจะเกิดลบกันได้นะแต่ว่ า, าที่กรุงกุสินาลาานี้เป็นเมืองเล็กนะกะนั้นก็คงจะสามารถที่จะแบ่งพระธาตุให้กับเมืองต่างๆได้ง่ายขึ้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ทรงเห็นนอนาคตตการว่าจะเกิดปัญหานี้ตามมานะหลังนั้นก็ได้ทรงเสด็จไปที่กรุงกุสินาลานะและก็ได้ทรงประนีปพานอที่เมืองนั้น นะหลังจากนั้นแล้วนะก็มีการแบ่งพระ菩ลกฤกท่าไปยังเมืองต่างๆมากมายนะแต่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นนะได้ประดิษฐานที่ชมพูทวีปมาเป็นระยะเวลานานนะจนต่อมาก็ในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้นะ่ะสามารถที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในประเทศต่างๆทั่วโลกนะไปได้กว้างไกลมากก็เกิดจากพระยุคนะพระเจ้าอโศกมหาราชนี่แหละ จนกระทั่งเข้ามาในส่วนสวรณภูมิก็คือในเมืองไทยนี่เองนะก็พุทธศาก็ได้เผยแพร่ม า, าโดยพระโสนะนะแล้วก็ามากันสององค์นในยุคนั้นนะแล้วก็พุทธศาสนานี้ก็แพ่ไปทั่วไปนในเอเชียนะเข้าไปในถ้าเป็นในสายมหายานนะก็จะเผยแพร่ไปในจีนนะ ญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามต่างๆนะถ้าเป็นสายอ่าเทรวาสนะก็จะมาทางอ่าพมา่าไทยลาวกัมพูชาเป็นหลักนะการที่แบ่งเป็นสองสายนี่ก็มาในยุคหลังนะแต่จริงๆก็คือพุทธศาสนาแหละถาว่าอันนี้ถ้าบุได้ปฏิบัติในขนทางนี้นะก็จะอ่านะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้นะเพราะนั้นในยุคเราที่ต่อมานี้เราก็ศึกษา ในสายเทรวาดนะครเพราะเขาว่าเทรวาดก็คือยึดเอาอคําสอนของพระเถระเป็นหลักในยุคนั้นที่มีการสารั่งเคลืนานในยุคแรกโดยพระกัสสปะเป็นประธานนะถือว่าเป็นยุคของพระเถระนะซึ่งสามารถที่จะรักษาคําสอนของพระเจ้าไว้ได้เป็นของเดิมทรักษาไว้ได้นะก็นํามาศึกษาประวัติธรรมกั น, นจนมีการเผยแพร่มายิ่งใหญ่ในทุกวันนี้นะ แต่ถ้าเราได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราจะเห็นทางจริงๆว่าผู้สานในพระผู้ส า, านานี้นะนำซึ่งความสงบความสุขนะแล้วก็การที่เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงมาสู่จิตใจของเรานะเราจะเห็นว่าเมื่อเราศึกษาแล้วนะเราก็จะเจริญในศีลสติสมาธิปัญญานะจิตใจก็จะเกิดความร่มเย็นนะตรงนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ทุกคนนะแต่ว่าผู้ที่ สามารถที่จะเข้าถึงในตรงนี้ได้นะก็เป็นผู้ที่ต้องมีความพยายามอยู่พอควรเหมือนกันนะแต่ในยุคนั้นนะ้าผู้เจ้าได้ทรงแสดงธรรมแล้วเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมได้มีมากมายนะอันนี้ก็ต่างกันนะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นนะคนเรายังมีกิเลนน้อยอยูนะ่ความปรุงแต่งต่างๆก็น้อยไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะทุกวันนี้เรามีความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมากในใจเรานะในปัจจุบันนี้เราจะมี สิ่งต่างในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆมากมายนะซึ่งเราได้ประสบในสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวั น, นเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยจะมีความปรุงแต่งเช่นนี้ยเยอ ะ, ะเพราะฉะนั้นเราบางทีเราฟังทำต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่อาจที่จะบรรลุได้ในเหมือนสมัยตัวการนะแต่เราก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามในการที่เราจะจะต้องมีศีลมีสติมีสมาธินะมีปัญญาในการที่เราจะสามารถไป็นพืชนะได้เช่นนั้นตามหลักมรรคเมีองแ นะเมื่อประพฤติได้ตามมรรคเมีองแปดนะเราก็จะบรรลนะุถึงนิโรธได้ก็คือเข้าสู่ความพ้นทุกได้ทุกคนนะตอนนี้นะเหมือนกับว่าอาหารนะเป็นสิ่งที่เราต้องอาารับประทานด้วยตัวเราเองใครจะมารับประทานแทนเราไม่ได้นะการที่เรารับประทานอาหารนั่นแหละก็คือเราต้องมีความพยายามด้วยตัวเราเองนะเมื่อมีความพยายามด้วยตัวเราเองแล้วคือเรารับประทานไปเรื่อยๆความอิ่มก็จะเกิดขึ้นตามมานะสักวันหนึ่งความพ้นทุ ก, ก็จะตามมาเหมือนกันนะ เพราะงนตรงนี้ก็ขอให้พวกเราน ะ, จะเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็ได้บรรลุถึงความสำเร็จที่ว่าเราได้เกิดมาในพุทธศานาในสักครั้งหนึ่งนะตรงนี้ไม่เกินความญญาพยายามของเรานะทุกคนสามารถที่จะบรรลุทําได้เช่นเดียวกันนะถ้าพวกเราเดินตามทางมรรยงปาฏิหาแล้วนะหนทางความสำเร็จนี่ต้องบรรลนะุได้สักวันหนึ่งอย่างแน่นอนนะเพราะในในวัดนี้เป็นวันวิสาขาบูชานะก็ขอน้อม รันาบารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเรานะมีจิตใจที่สามารถที่จะเห็นซึ่งลยกศาสตร์ซึ่งสี่ได้เห็นเข้าใจในปฏิจจสมบาทและได้ดำเนินถึงความพ้นทุกข์คือสีสติสมาธิปัญญาด้วยการทุกท่านเทิน